ได้ยินว่าพระมหาสัตว์บังเกิดในการที่คนมีอายุหมื่นปีเสวยราชสมบัติเจ0 0ันปีได้ทรงผนวดในเมื่อพระชนมายุยังเหลืออยู่ประมาณ 3,000 ันปีก็เมื่อจะทรงผนวดได้เสด็จอยู่ในครวาสวิสัยสี่เดือนจำเดิมแต่การที่ได้ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงที่ประตูพระราชอุทยานทรงดำริว่า เพศแห่งบรรพชิตประเสริฐกว่าเพศแห่งพระราชานี้เราจักบวชจึงตรัสสั่งราชบุรุษผู้รับใช้เป็นความลับว่าเจ้าจงนำผ้าย้อมฝาดและบาดดินมาแต่ร้านตลาดอย่าให้ใครๆรู้ราชบุรุษนั้นได้ทำตามรับสัง่งพระราชาปโปรดให้เรียกเจ้าพนักงานผู้สามาลามาให้ปลงพระเกศาและพระมัทสุ พระราชทานบ้านสวยแกผู้สามาลาแล้วโปรดให้กลับไปทรงนุ่งผ้ากาสาวะผืนหนึ่งทรงหง่มผืนหนึ่งทรงพาดผ้าผืนหนึ่งที่พระอังศาสวมบาดดินในถุงคล้องพระอังศาทรงทานพระโกนสําหรับคนแก่แต่ที่นั้นเสด็จจงกรมไปมาในปราศาส์ด้วยปัจเจ ก, กพุทธลีลาสิ้นวันเล็กน้อยทรงเปล่งอุทานว่า โอบรรพชาเป็นสุขเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขอันประเสริฐกระมหมาศ์เสด็จประทับอยู่ในปราศาส์นั้นแหลตลอดวันนั้นวันรุ่งขึ้นทรงปรารบจะเสด็จลงจากปราศาส์ในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นคราวนั้นพระนางศรีวลีเทวีตรัสเรียกสตรีคนสนิทเจ็ร้เหล่านั้นมารับสั่งว่าพวกเราไม่ได้เห็นพระราชาของเราทั้งหลาย ล่วงมาได้สี่เดือนแล้ววันนี้เราทั้งหลายจากพากันไปเฝ้าเท้าเธอท่านทั้งหลายพึงตกแต่งด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงแสดงเยื่งกลายมีกิริยาอาการร่าเริงเตทูลขับร้องอย่างสตรีเป็นต้นตามกำลังพยายามผูกพระองค์ไว้ด้วยเครื่องผูกคือกิเลส แม้พระเทวีก็ทรงประดับตกแต่งพระองค์และเสด็จขึ้นปราสาทกับด้วยสตรีเหล่านั้นด้วยทรงคิดว่าจากเฝ้าพระราชาแม้ท้าพระเนรเห็นพระราชาเสด็จลงอยู่ก็ทรงจำไม่ได้ถวายบังคมพระราชาแล้วประทับอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งด้วยทรงสำคัญว่าบรรพชิตนี้จกเป็นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้ามาถวายโอวาทพระราชา ฝ่ายพระมหาสัต์เส็จลงจากปราศาสตรฝ่ายพระเทวีเมื่อเสด็จขึ้นไปยังปราศาสตร ท, ทอพระเนตรเห็นพระเกศาของพระราชามีสีดุดปีกแมลงผู้บนหลังพระที่สิริสายาตและห่อเครื่องราชาพรจึงตรัสว่าบรรพชิตนั้นไม่ใช่พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าจักเป็นพระราชาสวามีที่รักของพวกเรามาเถิดท่านทั้งหลาย เราทั้งหลายจักทูลวิงวอนพระองค์ให้เสด็จกลับจึงเสด็จลงจากปราสาท ต, ตามไปทันพระราชาที่หน้าพระลานครั้นถึงจึงสยายเกสรียรายเบื้องพระปิดแสดงกับด้วยสตรีทั้งปวงเหล่านั้นค้อสวงด้วยพระหัตถ์ทั้งสองกราบทูลว่าพระองค์ทรงทําการอย่างนี้เพราะเหตุไรเพคะทรงคร่ำครวนติดตามพระราชาไปอย่างน่าสงสารยิ่ง ครั้งนั้นพระนครทั้งสิ้งก็เออ ก, กเรืกโกลาหน์ปายชาวเมืองเหล่านั้นกล่าวว่าได้ยินว่าพระราชาของพวกเราทรงผนวดเสียแล้วพวกเราจะได้พระราชาผู้ดำรงอยู่ในยุติธรรมเห็นปานนี้แต่ไหนอีกเล่าแล้วต่างร้องไห้ติดตามพระราชาไปพระบรมศาสดาเมื่อทรงทมให้แจ้งซึ่งเสียงคร่มครวญของหญิงเหล่านั้น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 พระราชาทรงละพระสนมนารีเจ็ดร้อยเหล่านั้นซึ่งประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเอวบางเรียบร้อยดีเชื่อถ้อยฟังคําพูดจาน่ารักเสด็จไปมุ่งการผนวดเป็นสาคัญพระราชาทรงละภาชนะทองคาหนักร้อยปันละมีลวดลายนับด้วยร้อยทรงอุ้มบาดดินนั้นให้เป็นอันอภิเสก ค, ครั้งที่สองบรรดาคําเหล่านั้น คำว่าประคองปักไคหะได้แก่ยกขึ้นแล้วคำว่าสัมปทวีความว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้ามหาชนกกราชนั้นทรงทิ้งพระสนมนารีเจ็ดร้อยเหล่านั้นซึ่งรำพันเพ้ออยู่ว่าพระองค์และพวกข้าพระองค์เสด็จไปแต่ผู้เดียวทำไมข้าพระองค์ทั้งหลายมีความผิดอะไรหรือ พระองค์มุ่งเสด็จหนีไปดุดถูกทวงว่าพระองค์จงเสด็จออกผนวดคำว่านั้นตังความว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาพระองค์นั้นทรงอุ้มบาทดินนั้นให้เป็นอันอภิเสกครั้งที่สองเสด็จออกอยู่พระนางศรีวลีเทวีแม้ทรงคร่ำครวญอยู่ก็ไม่อาจยังพระราชาให้เสด็จกลับได้ทรงคิดว่า มีอุบายอยู่อย่างหนึ่งจึงให้เรียกมหาเสนาคุธมาเฝ้าแล้วตรัสสั่งว่าท่านจงจุดไฟเผาเรือนเก่าศาลาเก่าในส่วนทิศเบื้องหน้าที่พระราชาเสด็จไปจงรวบรวมหญ้าและใบไม้นํามาสมให้เป็นควันมากในที่นั้นนั้นมหาเสนาคุธได้ทำอย่างนั้นพระนางศีวลีเทวีเสด็จไปสู่สานักของพระราชา มอบแทบพระยุคลบาทกราบทูลความที่ไฟไม่กรุงมิถิลาตรัสสองคาถาว่าคลังทั้งหลายคือคลังเงินคลังทองคลังแก้วมุกดาคลังแก้วไพลทูลคลังแก้วมณีคลังสังคลังไข่มุกคลังผ้าคลังจันเหลืองคลังหนังเสือคลังงาช้างคลังพัสดุสิ่งของคลังทองแดงคลังเหล็กเป็นอันมาก มีเปลวไฟเสมอเป็นอันเดียวกันอย่างน่ากลัวแม้อยู่แต่ละส่วนก็ไม่หมดขอพระองค์โปรดเสด็จกลับดับไฟเสียก่อนระราชทรัพย์ของพระองค์นั้นอย่าได้ฉิบหายเสียเลยบรรดาคำเหล่านั้นคาว่าอย่างน่ากลัวเทสมาได้แก่น่าสะปรึงกลัวคำว่ามีเปลวไฟเสมอเป็นอันเดียวกันอคิสมาชาลา ความว่าเรือนทั้งหลายของมนุษย์นั้นนั้นอันไฟไหม้อยู่ไฟรุ่งเรืองด้วยเปลวเสมอเป็นอันเดียวกันคำว่าคลังทั้งหลายโกษาได้แก่เรือนคลังเงินเป็นต้นคำว่าแต่ละส่วนภาคโสความว่าพระนางศีวลีเทวีกราบทูลว่าก้าแต่พระองค์ คลังของเราทั้งหลายเหล่านั้นแม้แบ่งไว้เป็นส่วนๆก็ถูกไฟไหม้หมดคำว่าคลังทองแดงโลหังได้แก่ทองแดงเป็นต้นข้อว่าพระราชทรัพย์ของพระองค์นั้นอย่าได้ฉิบหายเสียเลยมาเตตังวินัสสาทนังความว่าขอทรัพย์ของพระองค์นั้นจงอย่าพินาศอธิบายว่า มาเถิดขอพระองค์จงดับไฟนั้นพระองค์จะเสด็จไปภายหลังพระองค์จักถูกกระหาว่าเสด็จออกไปโดยไม่เหลียวแลพระนครที่กําลังถูกไฟไหม้อยู่เลยพระองค์จักมีความวิปฏิสารเพราะความละอายนั้นมาเถิดพระองค์โปรดสั่งเราอมาตะให้ดับไฟเถิดพระเจ้าค่าลำดับนั้นพระมหาสัตตรสกับพระนางศรีวลีว่า พระเทวีเธอตรัสอะไรอย่างนั้นความกังวลด้วยของเหล่าใดมีอยู่ความกังวลนั้นด้วยของเหล่านั้นเพลิงเผาผลาญอยู่แต่เราทั้งหลายหาความกังวลมิได้เมื่อจะทรงแสดงข้อความนั้นจึงตรัสพระคาถาว่าเราทั้งหลายผู้ไม่มีความกังวลมีชีวิตเป็นสุขดีหนอเมื่อกรุงมิธิลาถูกเพลิงเผาผลาญอยู่ ของอะไรอะไรของเราไม่ได้ถูกเผาผลาญเลยบรรดาคำเหล่านั้นคาว่าไม่มีความกังวลนัตติกินจนนังความว่าความกังวลกล่าวคือกิเลสเครื่องกังวลของเราทั้งหลายเหล่าใดไม่มีเราทั้งหลายเหล่านั้นมีชีวิตเป็นสุขเป็นสุขดีหนอเพราะไม่มีความกังวลนั้นด้วยเหตุนั้นพระมหาสัตว์จึงตรัสว่า เมื่อกรงมิถิลาถูกเพลิงเผาผลาญอยู่ของอะไรอะไรของเราไม่ได้ถูกเผาผลาญเลยความว่าเราไม่เห็นสิ่งของส่วนตัวของเราแม้หน่อยหนึ่งถูกเผาผลาญก็แลครั้นตรัสอย่างนี้แล้วพระมหาสัตว์ได้เสด็จออกทางประตูทิดอุดรพระสนมกำนันในทั้งเจ็ดร้อยแม้เหล่านั้นก็ออกตามเสด็จไป พระนางศรีวลีเทวีทรงคิดอุบายอีกอย่างหนึ่งจึงตรัสสั่งอมตะทั้งหลายว่าพวกท่านจงแสดงเหตุการณ์ให้เป็นเหมือนโจรฆ่าชาวบ้านและปล้นแว่นแคว้นอมตะได้จัดการตามกระแสรัรบสั่งขณะนั้นคนทั้งหลายก็แสดงพวกคนถืออาวุธวิ่งแล่นไปแล่นไปแต่ที่นั้นนั้นเป็นราวกับ ว, ว่าปล้นอยู่รดน้ำครั่งลงในสรีระ เป็นราวกับว่าถูกประหารให้นอนบนแผ่นกระดานเป็นราวกับว่าตายถูกน้ำพัดไปต่อหน้าพระราชามหาชนทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชพวกโจรปล้นแว้นแคว้นข้าข้าแผ่นดินของพระองค์ทั้งทั้งที่พระองค์ยังดารงพระชนอยู่แม้พระเทวีก็ถวายบังคมพระราชาตรัสคาถาเพื่อให้เสด็จกลับว่า เกิดโจรป่าขึ้นแล้วปล้นแว่นแคว้นของพระองค์มาเถิดพระองค์ขอพระองค์โปรดเสด็จกลับเถิดแว่นแคว้นนี้อย่าพี่นาฏเสียเลยบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโจรป่าอัตวิโยความว่าฆ่าแต่มหาราชเมื่อพระองค์ยังดำรงพระชนอยู่นี่แหละเกิดโจรป่าขึ้นแล้วคาว่าแว่นแคว้นรัถังความว่า พวกโจรทำลายแวนแคว้นของพระองค์อันทำรักษาแล้วเห็นปานนั้นมาเถิดพระองค์ขอพระองค์จงเสด็จกลับเถิดแวนแคว้นของพระองค์นี้จงอย่าพินาศพระราชาทรงสดับดังนี้แล้วมีพระดําริว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่จะไม่เกิดโจรปล้นทำลายแวนแคว้นเลยนี้จักเป็นการกระทำของพระนางศีวลีเทวี เมื่อจะทรงทาให้พระนางจานนตต่อถ้อยคำจึงตรัสว่าเราทั้งหลายผู้ไม่มีความกังวลมีชีวิตเป็นสุขดีเนอเมื่อแว่นแคว้นถูกโจรปล้นพวกโจรมิได้นาอะไรอะไรของเราไปเลยเราทั้งหลายผู้ไม่มีความกังวลมีชีวิตเป็นสุขดีเนอเราทั้งหลายจักมีปีติเป็นภักษาเหมือนเทวดาชั้นอาภสราฉะนั้น บรรดาคาเหล่านั้นคำว่าถูกโจรปล้นวิลุมปรมานำหิได้แก่ถูกโจรปล้นอยู่คําว่าเหมือนเทวดาชั้นอาพัสราฉะนั้นอาพัสรายะถาความว่าพรมเหล่านั้นเป็นผู้มีปีติเป็นพักษายังการเวลาให้ล่วงไปด้วยความสุขในสมาบัติฉันใดเราทั้งหลายจักยังเวลาให้ล่วงไปฉะนั้น แม้เมื่อพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วมหาชนก็ยังติดตามพระองค์ไปอยู่นั่นเองพระมหาสัตว์มีพระดำริว่ามหาชนเหล่านี้ไม่ปรารถนาจะกลับเราจะให้มหาชนนั้นกลับเมื่อทรงดำเนินทางไปได้กึ่งขาวุฒพระองค์จึงทรงหยุดพักประทับยืนในทางใหญ่ประทับถามอมัดทั้งหลายว่าราชสมบัตินี้ของใคร อามาทั้งหลายกราบทูลว่าของพระองค์เท้าเธอจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงลงราชฐานแก่ผู้ทํารอยขีดนี้ให้ขาดตรัศนีแล้วทรงเอาทานพระกร ล, ลากให้เป็นรอยขีดขวางทางใครๆไม่สามารถทํารอยขีดที่พระราชาผู้มีพระเดชานุภาพได้ทรงขีดไว้ให้ขาดลบเลือน มหาชนทำรอยขีดเหนือสีสะคร่ำครวญกันอย่างเหลือเกินแม้พระนางสีวรีเทวีก็ไม่ทรงสามารถทำรอยขีดนั้นให้เลือนหายได้ท่อพระเนตรเห็นพระราชาหันพระปรีสดางเสด็จไปอยู่ไม่สามารถจะกลั้นโศกาดูนก็ค้นพระอุระล้มขวางทางใหญ่กลิ้งเกลือกไปมาล่วงเลยรอยขีดนั้นไปมหาชนเข้าใจว่า เจ้าของรอยขีดได้ทำลายรอยขีดแล้วจึงพากันโดยเสด็จไปตามมขาที่พระเทวีเสด็จไปพระมหาสัตว์ทรงบ่ายพระพักเสด็จไปทางหิมมวันตประเทศทางทิศอุดรบ่ายพระนางศีวลีเทวีก็พาเสนาพลพาหนะทั้งปวงตามเสด็จไปด้วยพระราชาไม่อาจที่จะให้มหาชนกลับได้เสด็จไปสิ้นทางประมาณ60โยชน